เม้มริมฝีปากแน่นอาการของเขากระสับกระสายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนรกเท่านั้นที่จะรู้ได้ฟังดูจากเสียงอาจสองสาร้อยตัวขึ้นไปอาจมากกว่านั้นอาจเป็นจำนวนช้างส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในอาณาจักรป่าแถบนี้ซึ่งมันพร้อมใจกันรวมกำลังเข้ามาในชีวิตของผมหรือเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เคยพบกับกองทัพช้างรวมพลกันได้มากมายถึงเพียงนี้ ดารินกัดฟันใช้เท้าข้างที่แปลพยายามถีบยันกับรากไม้เป็นการทดองและด้วยกำลังใจอันแกล้งแข็งดิดเดียวหล่อนก็เกิดความเชื่อมั่นตนเองในทันทีนั้นว่าจะสามารถเคลื่อนไหวรับกับสถานการณ์ได้ผิดไปจากเวลาปกติวิกฤตการณ์อันฉุกเฉินขีดสุดมันมีอิทธิพลอยู่เหนือความเจ็บปวดโดยสิ้นเชิงระหว่างที่พรานใหญ่และพี่ชายของหล่อนกาลังพูดกันอย่างร้อนรนนั้น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 และอยู่ในรัศมีที่จะช่วยยิงคุ้มครองให้ได้จันกับแง่ทรายเติมเชื้อฟืนเข้าไปในกองไฟทุกกองสุมให้สว่างโชตขึ้นเพื่อให้บริเวณแคมป์ทั้งหมดมีแสงสว่างพอที่จะสังเกตเห็นได้เท่าที่จะสามารถตะกียงเจ้าพยุอีกดวงถูกไขสว่างขึ้นเต็มที่ตั้งไว้ที่ตอไม้กลางบริเวณไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นประจาโคทินบนเชิงขาพร้อมหมด คงเหลือแต่ระพินแง่าสายและจันเพียงสามคนที่ยังง่วนจัดการอยู่ในบริเวณแคมป์วุ่นอยู่สามคนนั่นมัวแต่ทำอะไรงุ่ม ง, งามกันอยู่อีกทำไมถึงไม่ถอยขึ้นมารวมกับเราดาลินพูดอย่างร้อนใจเพ่งมองลงไปยังบริเวณแคมป์ที่เห็นแสงไฟสลัวอยู่ในฉากความมืดมิดรอบด้านน้อยอยู่กับชายยันนะพี่จะลงไปดูเอง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 โขงช้างที่จะบุกเข้ามานั้นจะต้องผ่านเข้ามาทางปากด่านช่องเขาแคบๆทั้ง4ี่ด้านนี้เขาได้แง้ทรายจะแยกแย้ายกันวางระเบิดไว้ยังประตูผาทั้ง4แห่งนี้หากความจะเป็นขี่สุดมาถึงโดยไม่สามารถจะยิงปะทะหยุดยั้งไว้ได้ก็จะระเบิดปากด่านทั้งสี่ด้านให้ถลม่มลงซึ่งเชื่อว่าอำนาจของเสียงระเบิดก็ดีหรืออํานาจของแรงระเบิดที่อัดหินเป็นตั น, ตน ให้พังถล่มลงมาใส่โขงช้างบ้าเลือดก็ดีคงจะมีอิทธิพลทําให้พวกมันแตกกระจายล่าถอยไปโดยจะพยายามป้องการบริเวณที่ตั้งแคมป์ไว้ให้ได้ไม่ยอมให้พวกมันส่วนใหญ่ยกพลบุกเข้ามาถึงเพราะสัมภาระวัตถุเป็นส่วนมากยังทิ้งอยู่ในที่ตั้งแคมป์อันเนื่องจากย้ายไม่ทันหากปล่อยให้พวกมันบุกเข้ามาถึงทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นอันว่าปนปี้ไม่มีเหลือ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 เสียงฝีเท้าหนักๆเหลือที่จะขนานับย่าตาเคลื่อนใกล้เข้ามากลิ่นไอของมลตยูแทรกซึมไปทั่วทุกอนุของอากาศสำเนียงที่ได้ยินยามนี้เปรียบไม่ผิดอะไรกับเสียงคลื่นในมหาสมุทยามมีมรสุมพลิบตานั่นเองขณะที่ระพินปิดกระดาษสะท้อนแสงของเขารงยังคันระเบิดเสร็จพร้อมกับเงยขึ้นอันเป็นขณะเดียวกันกับที่แง่สายวิ่งออกมาจากกระโจม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 มันคือก้อนหินใหญ่ขนาดคลอกตงข้าวก่อนที่ทุกคนจะตื่นจากตะลึงขอนไม้และก้อนหินใหญ่ๆอีกหลายก้อนก็ระดมปลิงว่อนเข้ามาหล่นคลืนโครมอยู่ทั่วบริเวณจากความมืดรอบด้านที่มองไม่เห็นที่มาราวกับมีมือยักษ์มาระดมคว้างป่าก้อนหินและขอนไม้เหล่านั้นเฉียดทั้งสี่ไปอย่างบุบวิดจวนเจียนซึ่งถ้าถูกเข้าก็ไม่มีปัญหากระดูกกระเดี่ยวเป็นไม่มีเหลือระวัง หลบเร็วผานใหญ่ร้องออกมาสุดเสียงวิ่งเข้าประท้าเชาื่าผู้ยังยืนตะลึงค้างในปรากฏการพิศดารอันไม่คาดฝันนั้นล้มกลิ้งลงไปด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่ขอนไม้อันใหญ่ขนาดขาอ่อนยาววาเศจปลิวผ่านศีรษะไปยังหุบวิดกระทบเกวียนที่จอดอยู่เสียงโครมสนันทั้งสองตะกายลุกขึ้นอย่างรวดเร็ววิ่งเข้าหาโคนต้นกระรางใหญ่ในขณะที่แงซ า, ายกับจันก็วิ่งหลบหาฝนยักษ์บ่ายหน้าไปทางเชิงเขาอันเป็นที่มั่น เปิดฉากโจมตีโดยระดมซัตว์ถีนนครไม้คว้างป่าเข้ามาเป็นการใหญ่แล้วเจ้าช้างมหาวาัยร้ายที่รวมพลกันได้เป็นหนึ่งกองทัพและบัดนี้บีบลุกเข้ามาในระยะประชัดประชิดรอบด้านก็ประกาศสักดาของมันอย่างโจ่งชัดตัวหนึ่งแผดร้องแผลนขึ้นก่อนเหมือนจะเป็นสัญญาณให้เร่งเข้ามาเข็นฆ่าจากนั้นตัวอื่นๆก็ร้องรับกันขึ้นพร้อมกันหมดแซ ส, สนันอึ้องอึองไปหมดทั้งราวป่าท่ามกลางราตีอันเงียบสงัด จำแนกไม่ถูกว่ามันมีจํานวนอยู่สักกี่สิบหรือกี่ร้อยตัวหูของทุกคนในยามนี้ลั่นอึ่รู้สึกประหนึ่งว่าผื้นแผ่นดินและขุนขาวรอบด้านจะถล่มทลายลงด้วยคลื่นเสียงที่ดังสะเทือนเรื่อนด้านยิ่งกว่าฟ้าคํารนนั้นเงาทะมืนประหนึ่งราหูตะรุยคลื่นโครมออกมาจากพงไม้ด้านซ้ายของแคมป์ปรีดิ่งเข้ามาที่ระพินและเชฐิฐาผู้กําลังพะวะพะวัวงหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ตามกันออกมาเป็นขบวน เสียงชายยานตะโกนลั่นลงมาให้หนีขึ้นที่มั่นและยังไม่ทันจะขาดเสียงไรเฟิล น, นัดหนึ่งก็แผดแรมกึกก้องขึ้นเป็นปฐมฤกษ์มันเป็นจุด300เอเทเอเธบีแมกนัมจากมือของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเวราลิตผู้ฉับไยในกา ร, ร่านไกลตามเคยนั่นเองหล่อนมองเห็นภาพนั้นอย่างถนัดขณะที่ชายยานมตะโกนเตือนอยู่หล่อมก็ยิงแล้วไอหัวโตตัวลั้หน้าที่สุด วิ่งชนเกวียนที่จอดพิงโคนไม้รมและบัตดนี้ปรีราวกับพายุเข้ามายังรลพินกับเชษฐาห่างเพียงไม่เกิน15ก้าวาเสธราขมาหน้าพร้อมกับร้องโอก๊กขาหน้าสุดคู่รงในรพริบตาเพราะถูกร้อยเข้ากบหูด้วยกระสุนสั่งจากมืออันฉมังของหญิงสาวตัวตามหลังมาเป็นอันดับสองเจอะฟ้าผ่าเข้าไปอีกที่สะบักหมุนเฉออกนอกทางแล้วก็ล้มตึงไปในอึดใจ ต่อมาด้วยกระสุนนัดที่สามซึ่งทะลวงเจาะขมับรัพยพินวิ่งไปก่อนไม่ต้องห่วงผมเช่ถฐาร้องลั่นประทับสีห้าแปดขึ้นเพ่นออกนอกภูของต้นกลางที่หลบอยู่ส่องปอกบอกไปยังเงาทมินที่พรวดพลานออกมาจากกลิมป่าอีกด้านแล้วกดตูมอย่างฉุกกระหุกเสียงตะกัวน้ำหนักขนาดห้าร้อยเกรนประทะกับกระโหลกอันใหญ่โตได้ยินอย่างถนัด ซุ้มไม้ด้านนั้นถล่มพังไปทั้งแถบด้วยน้ําหนักตัวที่ร่มทับลงมาพรานใหญ่เพ่นวิ่งออกไปได้เจ็ก็หันกลับมาเชษฐากําลังวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกวดตามหลังเขาและเบื้องหลังของราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะปลายงวงอันยาวใหญ่ของภูเขาเคลื่อนที่ซึ่งกระชั้นได้มาอย่างติดติดกำลังไขว้คว้าเฉียดสิษะเชษฐาอย่างหยุดวิดวิดจวนเจียนกระพินเสรยรําก้องไหลเฟื่องขึ้นเหนียวไกลออกไป ทั้งทงที่ผ่านท้ายยังหนีบอยู่ที่ซอกสีข้างพอกระสุนรั่นพ้นลำกล้องร่างของเขาก็หกคเมรหงายหลังพึ่งเพราะอำนาจแรงสะท้อนเนื่องจากจับไม่ถนัดแต่รูกปืนวิ่งเข้าสวนโคนงวงอย่างถนัดทนีก่อนที่มันจะถึงตัวเชษฐาเบียงพลิบตาเดียวไอมหายักษ์งากุดผงะหลังส่วนเซไปสองแล้วล้มลงทั้งยืนจังหวะนั่นเองเชษฐาก็กระโจนมาถึงเขากระชากแขนฉุดให้รุกขึ้น แล้วพากันวิ่งแนบตรงไปยังตีนเขาอันมีพรรคพวกคอยอยู่ก่อนแล้วเสียงปืนบัดนี้ระเบิดระงมเป็นประทัดแตกดังมาจากที่มั่นเชิงเขาพวกที่อยู่บนนั้นเปิดฉากระดมยิงขึ้นแล้วอย่างขนานใหญ่เป็นการสกัดกั้นเร่งประทาดจ้พัวที่ยกขยโญงไล่หลังเชื่ากับรถบินมาอย่างดุดเดือดเสียงชัยยันตะโกนมาอีกให้ทั้งสองพยายามมาให้ถึงเชิงเขาโดยเร็วโดยไม่ต้องหันกลับไปโพวงถึงการติดตามเพราะยิงสกัดไว้ให้แล้ว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 เชฐาถามหอบหอบไม่มีเหลือให้มันยกแหกันเข้ามาอีกเถอะจะซัดให้เป็นเบื่อเลยชั ย, ยันตอบด้วยเสียงคำรามอย่างมันเขี่ยวไม่ทันจะขาดคำเงาใหญ่โตก็วิ่งยาวๆโผล่จากความมือดออกมาให้เห็นอีกสามตัวมันปราดตรงไปที่เต็นซ์่ึงบัดนี้กองคลุมอยู่กับพื้นใช้เท้าเตะ ก, กระเทือบอย่างดุร้ายกระหายเลือดก่อนที่ระพินและเชิถาผู้เหน็ดเหนื่อยจา ก, การวิ่งและตายเนินขึ้นมา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 หลังจากความสามตัวหลังลงไปอย่างเฉียบขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบลงอีกครั้งเป็นเวลาห้าในทีโดยไม่มีอะไรกระโตกกระตากแต่มันเป็นความเงียบที่กดหัวใจของทุกคนให้หนักอึ้งเต็มไปด้วยความกขบวนขวายมันจะเอาอยัางไง ก, กันนี่ทำไมเงียบไปเฉยเฉยอย่างนั้นชายยันร้องออกมาอย่างกระสับกระส่ายจ้องตาไม่กระพริบลงไปยังบริเวณแคมป์ใจเย็นๆไวเถอะครับ ศึกแหว่งคืนนี้ถึงยังไงมันก็ไม่สุดสิ้นลงง่ายๆหรอกพวกมันนับไม่ถ้วนล้อมเราไว้รอบด้านหมดแล้วแผนของมันคงไม่เลิกล้มลงเพียงแค่ที่พวกมันชุดแรกถูกยิงตายไปเพียงสิบกว่าตัวเท่านี้หรอกและเราก็ไม่อยู่ในฐานะได้เปรียบมันเลยคืนนี้ทั้งคืนมีหวังต้องแขวนตากล้ําค้างกันอยู่บนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่แน่คานใหญ่บอกแผ่วต่ำควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันลึกแล้วจะทํำยังไงกัน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 กระดาษสะท้อนแสงที่ติดอยู่ยังแบตเตอรี่ควบคุมสวิตระเบิดซึ่งตั้งอยู่ในซอกหินก็ส่องเรืองขึ้นมาให้เห็นอย่างถ น, นัดสังเกตที่เป้าสะท้อนแสงนอนไว้ให้ดีนะครับถ้าจาเป็นจริงๆเราจะย่ายยิงไปที่นั่นปากด่านทั้งสี่ด้านจะระเบิดขึ้นพร้อมกันชัยหยันดีดนิ้วโดยแรงเข้ามาตบไหล่เพินเด็ดจริงผู้กองต้องเล่นกับมันอย่างนี้เลยจะมีสัตว์เดรัจฉานที่ไหนในโลกอีกบ้างไหม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 ถ้าบังเอิญเราไม่มีเชิงเขาที่นี่เป็นที่ตั้งลับเราจะทำกันยังไงคืนนี้ก็แหลกหมดเท่านั้นเชษฐาตอบมาเสียงแหบแผ่ผัวรอบปลาในลำคอหน้าขอบใจบุญคำที่เลือกชัยภูมิตั้งแคมป์ได้อย่างรอบคอบขณะนี้เราตกเป็นฝ่ายถูกมันล่าเสียแล้วไม่ใช่ล่ามันในความเงียบสงดัดทุกคนสงบรอคอยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจอันเต้นระทึกไม่เป็นซํา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 มันเป็นช่วงระยะแห่งการรอคอยที่นานแสนนานท่ามกลางความอึดอัดกระสับกระส่ายยังบอกไม่ถูกแง่ท า, ายนำผ้าแบงเกตของคณะนหนจ้างสามผืนที่อุตส่าห์ขนติดมือขึ้นมาด้วยมาส่งแจกจ่ายให้ดารินเชษฐาและชา ย, ยันทั้งสามพอเห็นเข้าก็ลืมตาโพรง่งด้วยความยินดีและคนประดาษใจแง่ท า, ายนี่นายหอบผ้าห่มมาให้พวกเราด้วยหรือชยยันร้องออกมา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 คณะนยจ้างพากันอุทานออกมาด้วยความยินดีเชิดาเอื้อมมือมาตบไหล่แง่ทรายหัวเราะเบาๆนายดีมากแง่ทรา ย, ายรอบคอบเหลือเกินดาลินตวัดผ้าผุยออกคลุมตัวไว้ด้วยความหนาวเย็นในตาที่มองไปยังคนใช้ชาวโดงเป็นประกายชื่นชมบอกมาเสียงหวานว่าขอบใจเหลือเกินแง่ทรา ย, ายเธอรอบคอบและเป็นห่วงในสวัสดิภาพของเราเสียยิ่งกว่าคนบางคนเสียอีก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 บรรยากาศคนหนักแทบจะหายใจไม่ออกในคลื่นเสียงอันอื้ออึงนั้นดาลินกัดฟันแน่นสะบัดหน้าอยู่ไปมาใจของรอนสั่นเลิกๆรู้สึกเหมือนถูกบีบลงเหลือนิดเดียวในที่สุดก็ยกมือขึ้นอุดหูร้องกรีดออกมาสุดเสียงอย่างสุดที่จะทนทานต่อไปได้เมื่อพรานใหญ่วิ่งเข้ามาถึงตำแหน่งที่ซุ้มของกลุ่มนายจ้างเขาเห็นหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยนั่งตัวสัน่นอุดหูรับตาแน่นพี่ชายกำลังเขย่าตัวอยู่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 ระพีนกวาดสายตาลงไปเบื้องร่างอีกครั้งแล้วเหย่อปากกระบอกไรเฟิลในมือขึ้นฟ้ากระดิกไกปล่อยกระสุนระเบิดออกไปเสียงจุดสีห้แปดมกนัมลั่นกึ่ก้อกงกรบเสียงช้างเหล่านั้นมันสถานดังซางกังวานไปตลอดทั้งขุนเขาชา ย, ยันก็กดจุดหกนในโตของเขาตามติดออกไปอีกสองนัดซ้อนดังพอๆกับสายอสุนีบาทได้ผลเสียงช้างอันแซ้ประสานกันอยู่เป็นร้อยๆเสียงเหล่านั้นเงียบเป็นปิดทิ้งในทันที